ขอรับเจ้ารงชทเจารพรนาชีตลอดจนท่โยมสาธุชนทุกท่านตอนนี้พวกเราทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อทำหน้าที่ที่บุมีต่อบุคคลที่เราถือเป็นพระเป็นสามี เป็นบิดาเป็นลูกหรือว่ามีสหายรวมทั้งเพื่อนร่วมงานอันได้แก่คุณตุรยชัยที่พัดคมซึ่งได้ไวายชนไปเมื่อไม่กี่วันนี้เมื่อบุคคลเป็นเพื่อรักที่เคารพได้จากไป หน้าที่ประการหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นหน้าที่ประการให้ายๆก็คือการช่วยบำเพ็ญจัดการกรมสรีระของท่านให้ดึงสู่ดินน้ำลมไฟและขนาดเดียวกันก็บำเพ็ญกุศล เพื่อผู้ทิให้กับท่านเพื่อการสวยสุขในสัมภาระออันนี้คือหน้าที่ที่เราควรมีต่อผู้คนผู้่วมนักตักาะอย่างไรก็ตามตัดสูกเมื่อเรามาถึงนี่แล้วก็ขอให้เรา จะเปิดใจเพื่อที่จะรับเอาความจริงย่างหนึ่งของชีวิตซึ่งถ้าเราเปิดใจรับมันก็จะเป็นบุญบุญสมกับตัวเราด้วยงานศพนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นโงการในการที่จะบำเพ็ญบุญสลให้กับผู้ที่ลงรับเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสดีที่เราจะ ทำบุญให้กับตัวรเราเองนอกจากการถวายสังฆทานเรี้ยนพระ้อดผ้าบำบัดกุณุ์อันเป็นการทำบุญตามประเพณีให้กับผู้ที่ลงหลับแล้วการที่เราเปิดใจรับสัจธรรมของชีวิตก็เป็นการทำบุญเช่นเดียวกัน แล้วก็เป็นการทาบุญอันประเสริฐในบรรดาการทาบุญสิบประการที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุข้อต้นคือทานข้อสุดท้ายหรือข้อที่สิบก็คือคิดถูกชุกกรรมคือการทําความเห็นให้ตรงพระพองค์ตรัสว่าการทําความให้ตร ง, ต ง, าารตรงเป็นบุญที่มีอนิสงส์มาก มากกว่าการให้ทานเสีอีกเพราะว่าจะช่วยทำให้เราดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องสอดคล้องในทางธรรมซึ่งจะนำความสุขและทำให้เกิดคือการความดียิ่งยิ่ขึ้นไปการทำความไม่ให้ตรงคือการ เปิดใจยอมรับสัจธรรมของชีวิตซึ่งบัด น, นี้คุณตุรชัยพิพัฒน์งก็กำลังแสดงให้แก่เราอยู่นั่นก็คือความไม่เที่ยงของชีวิตความจริงของชีวิตประการก็คือว่าคนเราในที่สุดก็ต้องมาถึงปลายทาง นั่นคือความตายถ้าเรามางานศพนั่จะเป็นงานที่ถือว่าเป็นเอาองคลแต่หากว่าเรามาและได้เห็นความจริงของชีวิตข้อนี้ก็ถือว่าเราได้ทำให้เกิดองคลขึ้นมากับชีวิตจิตใจของเราดังพระพุทธ เ, เจ้า ได้จัดว่าความไม่ประมาทในความทั้งปวงเป็นมงคลอันสูงสุดบางงานศพแล้วเราได้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตอันนี้ก็ถือว่ามงคลได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเป็นมงคลที่เกิดขึ้นในงานที่เรียกว่าอาวัตมงคลก็ได้ให้เราพิจารณาว่า ครั้งหนึ่งคุณตุลชัยก็เคยมีชีวิตมีลมหายใจมีเลือดมีเนื้อสามารถจะเดินเหินมาเดินเหินไปไหนมาไหนได้เหมือนเราในขนาดนี้แต่บัด น, นี้ร่าง น, นั้นก็ไร้ซึ่งลมหายใจนอนทอดกายอยู่ในที่ไม่สามารถจะรับรู้อะไรได้ทั้งสิ้น รอแต่จะกลับตืงนสู่ธรรมชาติไม่ช้าไม่นานเราทั้งหลายก็จะเป็นอย่างคุณตุรชัยในบัดนี้เมื่อสักครู่นะก็จะมีการเดินตามนะร่างของคุณตุรชัยรอบเนิภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าไปส่นะไปส่งผู้ตาย แต่ที่จริงแล้วเนี่ยความหมายนั่นคือว่าเรากาลังจะเดินตามผู้ตายไปเราจะเดินตามผู้ตายหรือผู้ล่วงลับไปไหนไปสู่ปรโลไปสู่ความตายถ้าเราลบลึกเช่นนี้เนี่ยเราก็จะเกิดความไม่ประมาทในชีวิตเราจะตระหนักว่าชีวิตของเรา เป็นเพียงแค่ของช่วคราวที่ผู้เจ้าตรงสว่าเปลี่ยนเหมือนกับยักษ์แดดหรือเปลี่ยนเหมือนดับน้ำค้างในยามเช้าซึ่งผ่านไปไม่นานก็จะเผยหายกลายเป็นอากาศสัตวเมื่อเรารึกถึงความจริงเช่นนี้และเกิดความไม่ประหาดในชีวิต มันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราไม่มากก็ น, น้อยเช่นเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเราไม่กีรังเมื่อเราตรหนักว่าเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้มีจากัดเราก็จะเหินมึงความสมัคญของเวลาแต่และ ว, วันแต่และชั่วโมงแต่และนาทีจะไม่ยอมให้ผ่านไปโดยปราศประโยชน์ แทนี่เราจะใช้ชีวิตในการหมกมุ่นหลอกความสนุกสนานหรือา ก, การสแาสวงหาทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิจติยศเราก็จะได้สติและรู้ว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีคุณค่ามีความสำคัญกว่านั้นที่เราจะต้องเร่งรีบทําแม้แต่การหมกมุ่นหรือการทํางาน จนลืมไปว่าชีวิตเราอาจจะต้องล่วงล้งไปในวันนี้วันพรุ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความประมาทมีคนจานวนไม่น้อยที่ใช้เวลาไปกับการทำงานทำการแสวงหาเงินทองแล้ววันหนึ่งพบว่าเวยเป็นมเร็งเป็นโร้ายกำลัง จ, จะตาย แม้จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้ความรู้สึกผิดความรู้สึกเสียใจบรรเทา เ, าเบาบางไปเลยหลายคนรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำเช่นการดูแลผู้มีพระคุณการให้เวลากับลูก ข้ะมวลแต่งทำงานมีพิจิกรรายการโทรทัศน์คนหนึ่งเมื่อประมาณส0กว่าปีที่แล้วเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ของตัวมีงานเข้ามีงานให้ทำ อ, อย่างท่วม้นเลยก็ว่าได้ พิธีกรวันี้คงจะถือติว่าน้ำขึ้นให้รีบตัดเพราะฉะนั้นก็ทำงานเต็มที่ซึ่งก็น่าทโมทนาในความภาคสามหใจแทนที่จะใช้เวลาไปใ น, ในการเสร็จสุดก็ทุ่มเทกับการทำงานโดยตั้งพารมโดยีโดยตั้งแผนการไว้ว่าจะทุ่มเททางาน20ปี ตอนนั้นเกิน30สแล้วและหลังจากนั้นก็จะให้เวลากับครอบครัวนหรันมาใช้ชีวิตเพื่อการดูแลครอบครัแวและปุกปั่นาจแต่เนื่องจากทำงานหนักทำได้สิกว่าปีก็เป็นมะเร็งแล้วมะเร็งก็ลุกลามเร็วมากรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเมื่อถึงระยะท้ายของชีวิตพิธีกรท่านนี้ก็เสนอัำขึ้นว่าเสียใ ที่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยที่ไม่ได้ดูแลลูกเลยลูกก็เมื่ออายุ10ปีตลอดเวลา10กว่าปีก็ไม่คยได้ไม่คอยคอยู่กับลูกอยู่แล้วและนี่เป็นอะไรตายที่จริตอนท่านที้บอกวาา่าถ้ามีชีวิตดืนยาต่อไปเนี่ยก็จเอาเวลาเนี่ยมาดูแลลูกแทนที่จะใช้แบบการทำ ง, งานหาเงินเพื่อสร้างเพื่อสร้านตัว ทีนี้กร็รู้สึกติดนะที่ว่าไม่ได้ใช้เวลานะที่มีอยู่นะเพื่อคนที่ตัวเองรักถึงตอนนั้นก็สายไปเสียแล้วต้องความตายใกล้เข้ามาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะความประมาทประมาทอะไรประมาทว่าตัวเองเนี่ยจะมีวิตอยีายาวจะมีชิตถึงเจ็ดสิบตสิบเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งตั้งแผนวางแผนได้ว่า จะทำงานตถ้ง5 0แล้วก็จะเสียนมาดูแลลูกแต่สุดท้ายความตายก็มาพลาดิ้ไปเมื่ออายุเพียงแค่ 40, 40ต้นๆมีคนจเนวนไม่น้อยที่เมื่อใกล้จะตายแล้วก็รู้เสียใจที่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ที่ไม่ได้ทำความดีเข้าที่ควรคนเหล่านี้ ก็เช่นแบบที่จตอนอันยังไม่ชื่อตื่นเนี่ยจะมยุ70 80และยินตตายแต่ความตายแล้วเนี่ยมันมักจะมาในอย่างที่เราไม่คาดคิดและจริงๆความตายนั้นก็ใกลมากสามารถเกิดกับเราได้ตลอดเวลามันสามารถเกิดขึ้นได้ไม่เฉพาะกับคนแก่แต่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนหนุ่มคนสาวหรือแม้แต่เด็ก เราจะประมาณได้เลยว่าความตายจะยังอยู่ไกลมีภาษิตที่เด็กกล่าวว่าระหว่างชาตินี้ระหวงพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่าต้องมีพรุ่งนี้ก่อนชาติหน้าถึงจะตามมาหลายคนวันนี้คือวันสุดท้ายของเขา คนจากวันนี้ไปคือชาติหน้าเลยไม่มีพรุ่งนี้คนที่วันนี้คือวันสุดท้ายเนี่ยนะก็ลงประมาณแสนห้าหนคนคนจากวันนี้ไปก็เป็นชาติหน้าเลยบางทีไม่ทันคนวันนี้นะเมื่อสองาทิตย์ก่อนอาตมากาลังแสดงธรรม เนื่องในงานศพก็พูดทํานอง น, นี้แล้วนะว่าอย่าอย่าไปรอพรุ่งนี้นะเพราะว่าอาจจะตายคืนนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะตายนะในเวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็ได้ต้องการว่าอำลังบรรยายทำอยู่ก็ ม, มีโยมมนหนึห่งก็เป็นลมฟุ้ไปเลยหัวใจวายบรรยายยังไม่ทำเสร็จเลยก็ มีอักเ็บไปเซะแล้วอันนี้มันแสดงให้เห็นชัดเลยนะว่าความตายเนี่ยมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดอย่าไปรอว่ามีพรุ่งนี้แล้วจึงจนะมีชัดหน้าดัง้าเราทำงา น, นเช่นนี้เนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่า ป, ประโยชน์ ในขที่เรายัมีเวลามีกำลังวางชาก็จะเรรีบทำความดีทําหน้าที่อะไรที่เป็นหน้าที่ีควรทาทั้งกับครอบครัวกับลูกกับคนรักกับพ่อแม่ก็รีบทำซะรวมทั้งการทําความดีและการสร้างสมบูรการสร้างบุลกุณสมบูรณงการปฏิบัติธรรม อย่าไปรอว่าให้แก่ก่อนจึงจะเข้าวัดเพราะว่าเราถ้าคือรอเช่นั้นอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าวัดหลวงพ่อพิยรต้องเครพูดว่าเราจะเข้าวัดเองหรือจะให้คนหาเข้าวัดเราจะพนมมือเองหรือว่าเราจะให้สัปเหร่อพนมมือให้เราจะสวมดมนต์เองหรือว่ามีทางสวดให้ หลายคนเนี่ยไม่เห็นความสมพันธญของการเข้าว่าปฏิบัติธรรมไม่มีความสำคัญขอการสวดมนต์ก็เลยการว่าแทนที่จะทําเองก็มีคนทําให้คือสัปเหร่อมีคนกนะทมือให้มีคนแห่ขขเข้าวัดผ่านเข้าวัดไอ้ที่ทำเสฉยแต่วนันนี้ก่อนที่จะไม่มีเวลาหรือก่อนที่จะไม่มีกาลังทํา การระลึกถึงความตายว่าต้องเกิดขึ้นอะไรแน่นอนการระลึกถึงความไม่ยิรงใหยั่งยู่ของชีวิตในทำให้เราใช้เวลาในทางที่ดีมีคุณค่ามากขึ้นไม่มัวจมอยู่กับการแสงหาความสุขสะสมทรัพสมบัติชื่อเสียเกียรติยศหรือแม้แต่การหมกมุ่นกับงานการจนลูน หน้าที่ที่ควรทาอย่างอื่นขณะเดินกันเมื่อเราลึกว่าเราต้องตายแน่นอนเนี่ยมันก็จะมีคำถามขึ้นมาในใจว่าถ่าความตายมาถึงจะเป็นสิบปีข้างหน้าปีหน้าหรือพรุ่งนี้เราพร้อมหรื อ, อยัง คนที่ระลึกว่าความตายจะต้องเองกิดขึ้นอะไรแน่นอนและจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยจะเห็นความสจำทำการเตรียมตัวเตรียมใจนะการเตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยในแง่นั้ก็คือการทําความดีเมื่อเราได้ทําความดีไม่เกี่ยวข้องกความชั่วมันก็เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจระดับหนึ่ง เพราะว่าเมื่อความตายใกล้เข้ามาคนที่ทำบาปดีไม่ทำวามชั่วก็จะมีความมั่นใจภูมิใจกับชีวิตที่ผ่านมาและจะมั่นใจว่าตายแล้วก็จะไปเ็จะไปสู่สุคติมีคำกล่าวของรพระพุทธศาสน์ว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมยอมไม่กลัวภระโลก อีกที่หนึ่งท่านได้พูดว่าข้าพเจ้าไม่เก ค, ควทมชั่วในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงหลายคนเนี่ยไม่อยากรู้ความตายต้องกลัวและความกลัวเนี่ยส่วนนึงก็เกิดจากความไม่มั่นใจในความดีที่ตัวเองทามไม่มั่นใจในความประเสริฐ ข, ของชีวิตที่ผ่านมาและการที่กลัวตาย ก็เลยทําให้ไม่สนใจในการที่จเปลียนตัวตายแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมที่จะพิจารณากล้าที่จะระลึกถึงความตายเราจะเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจเริ่มต้นด้วยการทําความดีและหลีกเลี่ยงความชั่วเมื่อเราทําความดีแล้ว เวลาจะตายเนี่ยพึถึงความดีเราก็จะมีความขอบุญใจจากมีพุทธภาษิตว่าบุญย่อมทำให้เกิดสุดในรวลาสิ้นชีวิตภาษิตสั้นๆเนี่ยมีความหมายของประการประการแรกคือว่าแม้กำลังจะตายก็ยังสามารถมีความสุขได้อันนี้คนส่วนใหญ่คิดว่านเนี่ยความตายเป็นเรื่องน่ากลัวมาถึงเมื่ อ, อก็จะทุกข์ทรมาแต่ที่จริงไม่ใช่ คนที่สุดในเวลาสิ้นชีวิตก็มีทั้งนี้เพราะได้ทําบุญได้ทําความดีมามากเมื่อจะตายก็เลยถึงความดีที่ได้ทำจิตใจก็มีเมตตาติเตถ้านี้นอกจากการทําความดีเราในความช่วยเลือเนี่ยก็ต้องสุดใจให้พร้อมจะปล่อยจะวางด้วยเพราะถ้าหากว่าทําความดี แต่ว่ายังมีความ่วงหาอะไรในลูกในคนรักก็อาจจะทำให้กระสับกระส่ายผุ้ดนทุนทนทนรายในเวลาใกล้ตายและตายแล้วก็อาจจะไปไม่ดีก็ได้มีแน่คนหนึ่งลูกคนเล็กคนสิดท้องที่สิบขวกเป็นผู้ชายเชิญเป็นมะเร็งและตอนนี้ใกล้ตายเนี่ยก็พูด ลูกชายคนสุดท้องคนนี้ครอบครัวว่าจะเจริญรอยาตามพี่ชายสองคนซึ่งติดยาและติดพุกตอนที่ใกล้จะตายก็มีคพันทุรนทุรายมากทุรนทุรายความเจ็บปวจากโรคมะเง็งและความภูมิพ่อพวกลูกชายคนสุดท้องพอตายเก็ว่าตายไม่ติดตายที่เบิรโครง พยายามเบียบางเนียพยายามติดตามเท่าไรติดเลือกตาเท่าไรก็ไม่ประสบความสำเร็จวันรุ่งขึ้นญากผู้ใหญ่มารับศพเห็นศพญาติตามเปิดก็เลยรู้ว่าผู้ตายเนี่ยยังมีความว่วงกังวลจึงตายตามให้หลับ่าตผู้ใหญ่จึงจุดธูปแล้วก็บอกผู้ตายว่า จะดูแลลูกประสุทธ้องของเธอให้พอจุดพูดเสร็จปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยเป็นเกิดตาที่ติดได้นะทาง น, นี้ผ่านมาแล้วเนี่ยอันเกิดหนึ่งเกิด24 24ชั่วโมงอันนี้ก็แสดงเห็นว่าความโกกังวลเนี่ยนะมันทาให้มันอาจจะทำให้ตายไห้เป็นสุขหรือว่าตายตามไม่หลับ ก, ก็ได้แต่คร น, นี้ถ้าเกิดว่าผู้ตายเนี่ยนะ เมือ่อรู้ว่าตัวเองใกล้จะตายแล้วก็ปล่อยวางได้ละความหวงความอะไรก็จะช่วยทำให้ตอนที่จะตายก็ไม่พลุนพลุรายและตายแล้วก็อาจจะไปดีก็ได้ต้องอย่า่วงลูกหวงล้านแลวบางทีก็หวงทรัพย์สมบัติบางคนจะตายแล้วเนี่ยนะ ก็ยังยังน้ยังคิดถึงหนี้สินยังคิดถึงหนี้ที่คนอื่นได้ทำไว้ยืมเงินแล้วไม่คืนก็จะพังพูดนะถึงเงินก้อนนั้นว่าทำไมไม่คืนสักทีอันนี้ก็ทำให้ตายไม่สงได้เหมือนกันและตายไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไปทุกข์กติก็ได้ในสารวัรการมีปร า, ารณคนหนึ่งชื่อโหรัชปราณ เป็นเศรษฐีร่ำรวยมากแต่เวลาตายเนี่ยที่ถึงทรัพย์สมบัติล้างวางไม่ได้พวงทรัพย์สมบัตินั่นแหละบอกว่าพอตายเนี่ยก็ไปเกิดในท้องของสุนัขในบ้านกะารที่จะไปสุกตินะั่นก็ไปทนะุกติแลเพราะความวุ่นะไปเกิดเป็นลูกหมานะก็ได้อยู่ใกล้ทรัพย์สมบัติจริงๆนะ ในสมุัตการเช่นเดียวกันมีพระรูป ห, หนึ่งนะซึ่งท่านป่วยหนักแล้วก็ช่วงนั้นก็มีโยมพี่สาวเนี่ยทำจีวรประนีตให้ ท, ทจีวรนึ่ประนีตให้สำหัสมตการจีวรของหายยากไม่ใช่จะได้มาง่ายๆกินเกิดประเทวี่อผ้ากติน๊นะอันนี้เพราะว่าเพื่อสงรารพระเนื่องจากหาผ้าทาจีวรได้ยาก น, นี้เมื่อได้พาดจวรเนื้อประนีเนี่ยท่านก็ดีใจแต่ว่าไม่ทำได้สวนไม่ทำได้คลองก็มรณะภาพตอนที่มรณภาพเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยท่านนึกถึงจีวรนนะั้นด้วยความเสียดายด้วยความอาลัยก็เลยทําให้พอมรณะภาพเนี่ยเป็นจุดเป็นเลนนะเป็เกิเดเป็นเลนอยู่ในจีวรนั้นก็คือเจ้า ก, ก็เลยให้พระเนี่ย อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับจีวอนนะั้นพองครบเจ็ดวันเลนเสียชีวิตมันหมดอนยุ่งข่ายของเลนตายไปจึงจะได้ไปเกิดในสวรรค์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นถุงทาครว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีความวกรธนะอะไรเราก็ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานเวลาใกล้าตายและตายไปแล้วก็อาจจะแปลอภายได้ ก็จะความห่วงหาอะไรนั้นเนี่ยความโกรธความรู้สึกผิดก็สามารถจะชุดผู้ตายไปอาบายได้ในสัยพิการณาดางบรีการเทวีเป็นเมสีพระเจ้าเประเซรต์กิโกสมนะก็เป็นคนที่ดีนะั้นแต่ว่าอายุสั้นตอนที่กำเนิดตายเนี่ยจิตก็ไปนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ตัวเองเนี่ยได้ ทำผีกับพระเจ้าเสรตที่โกสุลก็คือไปโกหกพระเจ้าเสรตทีิโกสลในเรื่องที่น่าละอายแม้ว่าจะโกหกสำเร็จนะแต่ว่าจิตใจก็เศร้าหมองโดยพราะเมื่อจิตใจยึดถึงเหนนะตุการณ์นั้นบอกว่าตอนตายเนี่ยลงนรกเลยนะลงนรกอยู่เจ็วันจนกระทั่งก่อวิบากผลนะั้นบุญกุศลที่ได้ทําไว้ก็ถุงทรงได้ไปสวรรค์ ไอ้คนจีนเนี่ยก็สามารถจะไปอบายได้ถนะ้าหากว่าตอนใจตายเนี่ยไม่รู้จักปล่อยมีอตับไว้ ก, ก็นะจะเป็นความห่วงในซักความห่วงในรูปหรือว่าความรู้สึกจิตติค้างใจรวมทั้งความโกรธ ด, ด้วยนะถ้ามีความโกรธก็สามารถจะตายไม่ดีตายไม่สุกได้มีขน้าเรยงบงเป็นนเริงนะ มา เ, เร่งปอดพอใกล้จะตายเนี้นะเอาไว้ต่างๆต็แยกเหมืนอนกัสัญญาณชีวิตตกแต่เธอไม่ยอมตายตาเปิดตาเปิดข้างอยู่นันเน่คนที่มีอาการแบบนี้แสดงว่าเขากำลังต่อสู้กับความตายก็ยังไม่ยอมตายและที่ไม่ยอมตายเ็มีอะไรบางอย่างติดข้างใจในช่วงนั้นเนี่ย รุ่นน้องพยาบาลมาเยี่ยมพอเธอเจ็บเนี่ยเธอก็รวบรวมกําลังแล้วก็พูดกับรุ่นน้องคนนั้นว่าฉัน ข, ขอโทษเพราะว่าเคยทําให้ดีกับเธ อ, อ, เ, ธอเนื่องจากเข้าใจว่ารุ่นน้องคนนั้นเป็นคิด ก, กับสามีแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าความจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยรู้สึกผิดเมื่อรู้สึกขีดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ย่อมตาจนกว่าจะได้ขออภยัย รุ่นน้องทนนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรที่หนูเข้าใจที่นะหนูให้อภัยหนูไม่ได้ถูกโทษเกินเครื่องพี่เลยพอทด่ได้ฟังเช่นนั้นถธอก็สบายใจแล้วก็หลับตาแล้วก็เธอ่าจากไปในหวันนั้นแล้วคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยตายตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยก็มีอาการผุดด้รุนผูรายเพราว่ามีความไม่สบายใจไม่ใช่ความเจ็บปวดของโรคแต่ก็มีความไม่สบายใจมีสิ่งสิ่ง้านใจ เช่นความโกรกังวลความรู้สึกผิดหรือว่าความโกรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้ว่าสักวันเราต้องตายและเราอยากจะตายดีอยากจะตายสงบก็ควรมีความสำคัญของการเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ไม่ใช่มาเตรียมตัวตอนใกล้ตายอาจจะไม่ทันต้องเตรียมตัวเตรียมใจเช่นใจเดือนนี้ คือรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็รู้จักปล่อยไม่ให้มันมาครอบงำจิตใจมีความโกรเกิดขึ้นก็ไม่ปล่อยให้มันเผาลุกจิตใจนานมีความรู้สึกโกรธเกลียดก็ไม่ให้มันตีแทงจิตใจนานปล่อยวางรวมทั้งความกหวงความอะไรในทรัพย์สมบัตินะก็ควรจะฝึกปล่อยฝึกวางบ้างการเจริญสติการทําสมาธิภาวนาเนี่ย มันเป็นวิธีการที่ช่วยให้เรารู้จักฝ่อยรู้จักวางได้เพราะฉะนัะ้นเนี่ยในขณะที่เรายัางมีกําลังวังชานะยังมี เ, เวลายอยู่แล้วนกะ็ควรใช้เวลาเหล่านี้เนี่ยไปในการทำสมสาธิภาวนาเจริญสติบ้างไม่ใช่เพื่อเป็นการเตรียมตัวตายทัานั้นแต่เป็นการช่วยทําให้เรามีชิตที่เป็นสุขโปรนะ่งเบาเพราะถึงแม้หลายคนจะยังห่างไกลกความตาย จะต้องมีความทุกข์ความทุกข์เพราะผิดหวังความทุกข์เพราะสูญเสียพัดพาดของรักคนรักความทุกข์เพราะถูกต่อว่าด่าทอความทุกข์เพราะงานไม่สําเร็จหรือการไม่ก้าวหน้าหรือว่าไม่ได้เลื่นตัวเลื่อนตาแหน่งปัญหารงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันจิตใจเล็กน้อยบามคนเกิดปัญห แต่คนจะมันไม่มากจะมันไม่น้อยก็บทุกข้เด่นนี้ตล้ที่จริงแล้วเนี่ยการทุกข้อเด่นี้เนี่ยนะก็เพราะว่ายังลืมไปว่าตัวเองเนี่ยส้าวันต้องตายคนเราถ้าระหนัว่าวันหนเราต้องตายนะไอ้ฟานไอ้เหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไอ้เหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเพืนหายของหายสู่ต่อว่าหาทองกลายนาไม่นานขึ้นสอข้าหมายอะไไม่ได้ ตกงานวุ่นนี้เนี่ยไม่ป็นเรื่องใหญ่ในความรู้สึกของเราแต่เมื่อเราเอามันเทียบกับความตายที่เกับเรื่องกับเราในอนาคตนะมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยและถ้าเราคิดแบบนี้จะช่วยทํให้เาปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นการเจริญร่างกายสติเป็นสี่สัมพันธ์เมื่อเราเจริญร่งกายสติอยู่เนื่องๆก็คือการระลึกว่าสักวันเราต้องตายและจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ และหากไม่ต้องตายวันนี้พรุ่งนี้ถามใจเราว่าเราพร้อมหรือยังเราทําความดีมาพอหรือยังเราทําหน้าที่ควรทาสําเร็จเสร็จสิ้นหรือเปล่าและเราพร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งหรือไม่ถ้าอะไรต้องตายถามว่าเราถามตัวเราเช่นนี้สเสมอว่าเราพร้อมหรือยังการพิจารณความตายเช่นนี้เนี่ยในแง่มันช่วยทําให้เราเนี่ยเห็นปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตในเรื่องเล็กน้ อ, นอยทําให้เรากล้าที่จะเข้า เราไม่รอพรับจาก้าวข้ามผ่านไปได้และขณะเดียวกันเราก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราได้นําความดีให้เราพยายามนีหารความชั่วเห็นความสำคัญของการฝึกเตือนใจเพื่อการปล่อยตามวางซึ่งเพื่อทําให้เรามีชีวิตผาสุขและเมื่อถึงเวลาที่เราต้องตายเราก็ไม่กลัวความตายเราพร้อมที่จะเผชิญหน้าเกนเข้าหาความตายเพราะเราได้เล่ียกมตัวดี มีาำพูดว่ายามสงบเราฝึกยามฝึกเราลบอันนี้ไม่ไเป็นสติที่ไม่ใช้กับทหารพวกนั้นแต่ว่ามันใช้กับบุคคลทั่วไปก็ได้ในทางที่เรายังไม่เจ็บป่วยก็ถือว่าเป็นยามสงบเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝึกอะไรฝึกจิตฝึกใจไว้เพราะว่าเมื่อถึวันที่เราเจ็บเราป่วยถึงวันที่เราต้องท่าทาสูญเสียถึงวันที่เราจะ มันที่เราต้องตายอันนั้นแหะก็เกิดเหมือนอย่างสุดละมันเป็นสงครามชีวิตที่ไม่มีใครหลีกพ้นแต่ถ้าเราสึกไว้ดีนะไม่ได้สึกการใช้ปืนแต่สึด ก, การใช้ใจสึกใจสึดสติสุดปัญญาไว้ถึงเวลาที่จะเจอสองครามชีวิตนะไม่ว่าจะมาในรูปไหนก็ตามเราก็จะสามารถผ่านพ้นมันไได้และก็ประสบชัยชนะนี่คือสิ่งที่ เราควรจะระลึกถึงใ น, ในโอกาสที่เรามางานศพมันเด็นโอกาสที่เราจะได้จะต้นเตือนจิตใจให้แม่ประมากับชีวิตเพราะว่าสัจธรรมความจริงได้แสดงหเห็นต่อหน้าเราถ้าเราทําเช่นนี้ได้ก็ถือว่าเราได้ทําบุญให้กับตัวเองด้วยกอ เ, เหมือนากการทําบุญให้กับผู้ที่ลงรับ วันนี้ก็สมงผจะเวลาก็ขอรู้โมทนาญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในวันนี้แล้วก็บำเป็นกรริยกิจให้กับผู้ที่วมรักก็ขอให้บุญกุศ์ที่เราได้ทำเนี่ยจทงทำนวยโท้ยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันน่าสุขภพระเพื่อเป็นพละปัจจัยในการทำความดีางามสร้างเสริมบุญกุศล ปลฝังคุณธรรมความมีให้เพิ่มปู๋ในจิตใจของเราเพื่อทําให้เกิดความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและเพืมีความสุขก็สุขได้โดยที่ไม่ประมาทเพื่อช่วยทําให้เราสามารถจะมีความพร้อมในการที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาส่วนครั้งความตายที่เกิดขึ้นกับเราเพื่อช่วยทําให้เรา ได้พบกับความสมุบเย็นในทุกโอกาสในทุกสถานการณ์รวมทั้งทำให้ เ, เราเกิดปัญญาสามารถพาจิตเข้าถึงความสุกเส ร, าราาีาสมีพระทิพย์พาดที่หมายอีกทั้งก็ไขดวงุุญญาที่เราได้บาเพ็ญในวันนี้จงเป็นพระปัจจัยให้กับคุณตุรชัยทิพพันธ์พงศ์ให้ได้ประสบสูขสมบัติในสายสในสามแตร์กบตามควรแก่สติใสด้วยเธอ อยากยินียนเชิญนาพี่สิทธิพ์พี่พัฒน์โคเป็นลูกชาย